วิเคราะห์ทุพภาสิทธ์เธอจงฟังอาบัติที่เราเรียกว่าทุพภาสิทธ์ตามลำดับบทใดอันภิกษุกล่าวไม่ดีพูดไม่ดีและเสื่อมเสียทั้งวินยูชนทั้งหลายย่อมติเตียนบทใดเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกข้อนั้นว่าทุพภาสิทธ์